ดูใจมากๆคลยใจเป็นแอ่งน้ำซึ่งจะละลายความหมักหมมที่เกิดจากเมือ ใ, ใ, ใครเป็นที่ที่เราทำแบบไทยที่นั่นแบบไทยเป็นกรรมวิธีที่เป็นขนของพิเศษคือพุ่มยิวเป็นเด็กเกิดมาเขาเรียกสินจุมจุมตัวเด็กเดี๋ยนี้จุมในมือคือเป็นที่สงสนาน ที่อาบาสำชะมนทินทางจิตวิญญางถ้ารู้จักใจปลอดภัยี่ได้หัวใจตัวเองตื่นมาเียเข้าถึงชีวิตถึงจิตถึงใจถ้าเห็นความเป็นเองตอนนั้นก็ไปเองนะความเพียงของเราอยู่ตรงนี้ดูใจรู้ตัว เข้าไปในควาคิดคิดให้รู้ถ้าคิดไม่รู้มันยากแล้วคือเข้าไปในโลกของความคิดแล้วมันออกยากพมา่าสังเกตเหมือนปลาเข้าไปในทรายขาเข้านี่คล่องมากๆเลยเพราะมันไหลตามน้ำพอเข้าไปแล้วจะไออกมามันไปติดอยู่ในวงล้อมวงล้อมอะไรของมือสิ่งเพราะความคิดแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเกิดต่อเนื่องเหมือนว่ามันก็เกิดเป็นภาวะขึ้นเหมือนกับว่า คนเป็นหนึ่งถึงก็เพลิงมาในที่มืดดวงเดียวกวางกวางทีละครั้งเละถีขึ้นในสมเกิดเป็นวงเห็นไหมเป็นวงขึ้นจากความคิดที่ละขณะก็กลายเป็นภพชาติเป็นภาวะเป็นคอนดิชันขึ้นมาดังนั้นคอนดิชันของตัวเราเกิดจากความคิดเกิดจากสังขารคิดคิดคิดพอคิดก็เกิดเป็นภาวะที่เรียกภพ พก็จับตัวเราก็ติดอยู่ในภพชาติอะไรนั้น่แล้วก็ทุกทรมานกับสิ่งตา่างๆนั้นที่ผมบอกให้ดูตัวดูความคิดเข้าไปในความคิดคิดปั๊บม่เห็นมันเป็นการทลายภพชาตินั่นเองทุกครั้งที่เห็นความคิดนั้นเราก็มันฟัน น, นว่าเราจะตักสุมพอเห็นความคิดที่ฟันทีหนึ่ง ไม <c oughs> ่ว่าต้นไม้นั้นจะหนาเพียงใแต่ลงฟันทุกทีอย่างมีสิทธิาดวันหนึ่งจะขาดเข้าใจไหมครับดูความคิดแต่ว่าอยากสนใจความคิดผมเคยปฏิบัติตีฟังพอพลาดจะบอกดูงี่ผมเดินดู ค, คิดทั้งวันเดินจ้องว่าคิดอะไรนะ เข้าไปเรื่อยทีนี้มันหนักขึ้นหน่ะคือไม่เข้าใจแต่เพราะท่านให้กรรมฐานความคิดท่านมันบอกทอีหลังตายแล้วคิดว่าผมเหมือนท่านคือท่านเป็นคนอยู่ในโลกของผู้มบรรลุสือ่อมันไม่เคยมีความเคิดอะไรมากมายดูก็ง่ายนิดเดียวของผมมันหัวนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวระมาท่านแนะผมให้รู้สึกตัวก่อรู้สึกตัวนี่ง่ายกว่ารู้สึกตัวมีฐานใช่ไมคิดเกิดพอเรเห็นเราไม่ถล่มลงไป ให้เรายืนที่ลิงปากเหวเรานั่งก็ได้นั่งอย่างมั่นคงแล้วพออะไรผ่านหน้าเราปัดได้ ท, ทันทีแต่ถ้าเรานั่งไม่มั่นเขปัดกระหัวทิ่มทันทีแค่นั้นเป็นอย่างนี้นรู้ตัวมากๆรู้รู้เลยมันมันไปออกอีกด้านหนึ่งครับมันไม่ออกทางความคิดคล้ายๆพอเราเข้าไปในความคิดแล้วมันจะหาทางออกอยู่ในความคิดนั่นเอง ยึงคิดจะหาทางออกจากความคิดมันก็เท่ากับสร้างป้อมขึ้หลายชั้นทีเดียวครัอาจารย์เลือกผูกเงื่อนขึ้นให้ตัวเองมัดตัวเองยิ่งขึ้นนั่นคนที่คิดธรรมาในในสุก็บ้าบ้าธรรมะในสุวันนี้มันจะออกอีกทางครับพอเราดูใจรู้สึกตัวนะรู้รู้เข้าไนะรู้แต่ว่าเราก็อยู่ในโลกธรรมดานะไม่ใช่ตัดขาดนะเราก็ปีกขึ้นนะ ตาเราเรสัมพันธ์มกสงสกรูปแต่พอรู้แล้วมันจะออกอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้ออกในความคิดแต่มันออกนอกความคิดเข้าใจไหมที่ผมพูดมทวนสรุปวันนี้ผมก็แนะนําเรื่องจําเป็นในเรื่องหนึ่งเรื่องที่พอเป็นที่ที่ลึกด้านหนึ่งคือพยายาแห่งการ วัตถุจ <c oughs> ะสมัมผัสวัตถุนั้นตรงๆด้วยใ จ, ยยจตัวเองด้วยจิตตัวเองสัมผัสโดยเฉพาะวัตถุในกายวัตถุข้างนอกนี่มันก็ถึงกั น, นี่ตอนที่เราเรารู้รูปนามมันมองเมฆมองอะมันก็ค่อยจับถึงค่อยๆสมัมผัสเมฆสัมผัสต้นไม้ หรับบางคนเป็นเหตุที่นันตาอไหลไนะครับมันแตะถึงหมดเห็นเมฆเห็นต้นไม้ซึ่งแต่ก่อนมันเป็นมโนพติเท่านั้นเห็นต้นกลาบดอกกลาบเป็นความคิดทั้งนั้นนะคกับที่เราเห็นความคิดจับตัวเรวาไว้เราอยู่ใ น, ในความคิดผู้เราอยู่ในความฝันก็ว่าได้แเราเห็นต้นไม้ว่าต้นไม้ สวยจังพูดมันคิดขึ้นที่ตอนนั้นมันเห็นแบบสมัมผัสยังกนะอันมันจะนั่นขั้นมาทั้งตัวไม่ใช่นั่นนะโอ๋ให้แค่เต็มขึ้นมาเวลาเห็นม็นเต็ ม, มวัตถุประมัติาสัมผัสยอยู่แล้วอาการจะรู้สึกเบาจุจางมาคือคล้าๆคนมีน้ำหนักแล้วมันเกิด ลงมาในาน้ำรู้สึกมันเบาการที่จืดจางอ น, นี้สามองค์นี้ครับสำคัญอยู่ผู้ปฏิบัติถึงไม่รู้ก็จะรู้เองแต่ถ้ามีหลับไวมันจะรู้ง่ายขึ้นวัตถุประมัติาอาการทีนี้จตุวาระแห่งความรู้ ทจริงๆคือหลักปัญญา3ามสุตตะมิยปัญญาจินตามิยปัญญาภาวนามิยปัญญาที่แจกก็เป็น4เป็น4วรรคคือรู้จำจำกันอื่นมาแล้วก็รู้จักให้เ okay, ข้าไปเช็คแฮนแล้วถึงตัวแล้วรู้จักตัวรู้จักแล้วก็รู้ แจ้งแจ้งฉานขึ้มนมาอีเดีแล้วก็รู้จริงรู้จริงคือไม่รู้อะไรเลยคือคนไปเลยรู้มันจริงจริน เ, เหมือนว่าคนอยู่ในภูเขาไม่เคยเห็นภูเขาเลยหรือคนเข้าถึงทะเลนี่ก็ไม่เห็นทะเลคนน้ำพอเราเอาน้ำเข้าป่ากพ น, น้ําถึงลิ้นนี่มันไม่มีพูดดึ่มเลยแล้วไม่มีสิ่งที่ถูกดื่มมีแต่อะไรบางสิ่งที่ปรากฏขึ้นชัก แล้วก็ผ่านเลยนี่ก็รู้จริงนั่นคือจตุวาระแห่งความรู้จึงนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ช่วยเป็นบันไดนะครเร า, า, าปีนขึ้นภูเขาเขึ้นทางไหนก็ได้แต่ถ้าใครตัดบันไดาวาดก็ง่ายหน่อยสะดวกขึ้น